ตอนวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคม2559ก็เป็นประเพณีที่สวยงามของคนไทยเรานะทุกปีวันพ่อนะก็ทุกอย่างเป็นอุบายวิธีเนี่ยเพื่อปลุกสานึกให้รู้มีความกตัญญูรู้คุนนะแต่วันพ่อวันนี้ ก็คงเป็นวันสุดท้ายนะไม่ใช่พ่อกูไมจ่จากไปไหนนะห้าธันวานเนี่ยก็เป็นครั้งสุดท้ายละนะต่อไปวันพ่อแห่งชาติคงเปลี่ยนเป็นวันอื่นนะเราก็ยังไม่รู้นะทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกครั้งอ น, นัตตานะเที่ยว น, นี้แรงมากนะกระแสขึ้นบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะชีวิตพวกกู พบหนึ่งครั้งก็คือพ่อคูแค่สองแผ่นดินพวกเราก็นั่งสองแผ่นดินนะนอกจากบางคนเลยอายุเจดสิบขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เป็นสามแผ่นดินนะเมื่อเชา้านี้ปุ๊กรายงานมากรุงเทพเนี่ยกำลังอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่เก้าลงมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่ความรู้สึกบางคนเห็นแล้วร้องไห้ เราอยากให้เปลี่ยนไหมไม่มีใครอยากให้เปลี่ยนแต่ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเองก็เหมือนกันต้องเปลี่ยนแปลงนะในหลวงก็เตือนพระพุทธเจ้าก็เตือนว่าอย่าประมาทนะชีวิตเราเปลี่ยนแปลงทุกวันนะเรามีหน้าที่เตรียมความพร้อมรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนในทางที่ดีก็ต้องมีสติเปลี่ยนในทางที่ไม่ดีก็มีสตินะไม่ใช่ดีปุ๊บดีใจ ถูกระงวันที่หนึ่งปุ๊บบางทีดีใจช็อบตายได้นะเพราะมันดีใจเกินไปนะแล้วก็เสียผู้เสียคนก็มีนะหลงละเลงกับความาลาบสกาละที่เราได้มานะบางทีตกใจเกินไปนี่ก็ช็อบตายได้เหมือนกันเพราะทั้งหมดเนี่ยเราไม่สำรวมระวังนะในหลวงก็สอนเรื่องพอเพียงก็คือทางสายกลาง พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องมัชิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางนะทุกอย่างถ้าทุกคนดำรงชีวิตแบบทางสายกลางคือความพอดีเนี่ยนะพอเกิดวิกฤตอะไรขึ้นเนี่ยมันก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะเราก็ยังมีสติอยู่พอรับไหวนะตอนนี้พูดถึงถ้าถามพวกเราเนี่ยคนไทยทั้งหมดอยู่ในคลื่นอารมณ์ของความโศกเศร้าเออมันเป็นเรื่อง ปกติธรรมดานะผู้ทุชนเราก็ต้องมีเรื่องเวทนานอกจากเรามันเป็นเปพี้ยนถึงอีกจุดหนึ่งนะก็รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เกิดความรู้สึกโศกเศร้าสําสหรับพ่อครูแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องในหลวงราชการที่9้าพระองค์เสด็จสวรรคตเนี่ยสําหรับพระครูเนี่ยถ้าเป็นพ่อครูบอกต้องเฉลิมฉลองไม่ความไม่ใช่โศกเศร้า เฉลิมฉลองในความสำเร็จของพระองค์ชีวิตพระองค์สมบูรณ์ที่สุดนะไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจนะต้องเฉลิมฉลองแต่ทีนี้ในแง่ความเป็นมนุษย์ทั่วๆไปเราเป็นลูกหลานนะพ้นที่เราลักเราเคารพ บ, บูชาเนี่ยจากไปก็เกิดความเวทนาโศกเศร้าเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้าจะโศกเศร้าจนขาดสติแล้วก็ คนโร ล, ล้มลงไปก็ลุกไม่ขึ้นเลยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะในหลวงไม่ได้สอนแบบนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นนะล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนวิกฤตเปลี่ยนความโศกเศร้านั้นให้กลายเป็นพลังนะเป็นพลังชีวิตยิ่งมีต้องมีสติมากขึ้นบางคนบอกว่าตายเพื่อพระองค์ก็ได้ถูกแล้วถ้าตายแล้วมันได้นะ แต่ถ้าตายแล้วมันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอันนั้นเป็นความคิดที่โง่เขาเนะเออเราต้องอยู่นะอยู่เพื่อประสานทาหน้าที่ที่พระองค์ตั้งปฏิฐานไว้ต่อไปนี่เป็นภาระหนักของพวกเราที่อยู่นะเรายัางตายไม่ได้โดยเฉพาะภาระหลักของมนุษย์เราทุกคนนะถ้ายังไม่บรรลุธรรมห้ามตายเนาะ นะอันนี้คือภาระหลักภารละรลองลองมาในฐานะที่เราเป็นลูกหลานของในหลวงของเราเนี่ยเราก็ามีหน้าที่สืบสาปนปณิธานของพระองค์ต่อไปนะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนโศกความโศกเศร้ากลายเป็นพลังวันนี้พิสูจน์ได้ว่าเรามารวมพลังกันในศูนย์พลานคอยซึ่งเราไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นนะหลายปีที่นี่เราไม่ค่อยจัดกิจกรรมอะไรที่ อะไรพิเศษนะแต่เราปฏิบัติทำทุกวันมันเป็นวิถีเราแต่เที่ยวนี้ถือว่าไม่พิเศษไม่ได้นะพระเจ้าของแผ่นดินเราสิ้นพระชนเราต้องทำอะไรเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณนะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้นะถ้าคนรุ่นเก่ า, เ ก, านะเกิดมาก็สัมผัสว่าในหลวงเราทำอะไรแล้วเนี่ย นะพระองค์ต้องบอกว่าพระองค์ยิ่งใหญ่มากในเจ็ดสิปีของโลกใบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อคืนพระครูก็เอามาอ่านให้ดูนะมีบางคนก็แสดงความคิดเห็นมีอภิเษกไซว่าในหลวงเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกอันนี้ไม่ได้ผิดเลยนะในแง่ความเป็นคนซึ่งเป็นผู้ชายเป็นลูกผู้ชายตัวจริงๆนะ แต่บางคนเนี่ยเนื่องจากว่าระบบการเมืองทะเลาะบ่อแหวงกันนะพูดกันไปพูดกันมาก็ไปพระ อ, องค์อยู่ดีๆในหลวงไม่ได้เคยยุ่งกับเรื่องพวกนี้นะพระ อ, องค์ไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชังไม่เคยเข้าข้างใครแต่บางคนก็ถือโอกาสตรงนั้นเน่ยเอามาเล่นงานคนอื่นหรืออะไรเนี่ยคนถูกเล่นงานก็เลยมีความรู้สึกเพราะเขาแยกแยะไม่ออกคืออะไรนะเขา ก, ก็รู้สึกเกิดความเข้าใจผิดนะ แล้วดูภาพใหญ่ๆดีกว่าว่าเจ็ิปีที่พระ อ, องค์ขึ้นของราชเนี่ยพระ อ, องค์ทาอะไรบ้างพอองอยู่ในสถานภาพที่ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ใช่หน้าที่ของพระ อ, องค์นะนะชีวิตนี้พระ อ, องค์เสพสุขอย่างเดียวก็ไม่ได้ผิดพอองทำอย่างนั้นไหมไม่นะพระ อ, องคนะ์ทุ่มเทนะที่เมื่อคืนพระครูอบอกเมื่อคืนคุณครูก็ไม่ได้มานะนะมีอะไรบ้างที่พระ อ, องค์ไม่ไปใส่ใจ เรื่องการศึกษานี่โรงเรียนประชาชนข้อที่พระองค์ส่งเสริมมาเต็มบ้านเต็มเมืองเห็นไหมก่อนหน้านี้โรงเรียนโรงเรียนเราเนี่ยก็ใช้ทางไกลของในหลวงไกลกลางวนพระองค์ใส่ใจทุกเรื่องเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนานะพระองค์ก็ออกพนวดนะทุ่มเทจันลงวัดวาลามเห็นไหมรักษาประเพณีวัฒนธรรมพระองค์ก็ไปได้ทิง นะเรื่องดิน้าดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศทุกอย่างพระองค์ใส่ใจหมดนะและชีวิตที่สมัมมาทาเรียบง่ายของพระองค์ก็เห็นกันด้วยตาเนื้อแล้วไอ้ส่วนที่ไปแย่กันไปหญ่กันมาเนี่ยพระคร้เวรกรรมนะพระองค์ทำไม่ได้เพื่ออะไรนะแต่ธรรมะลอมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมพระองค์ประพฤติธรรมมาตลอดประชนชีพของพระองค์ นะทุกวันนี้เรามีจกิจกรรมลงนี้เพราะอะไรทำาไมต้องมีวันพ่อก็ไม่ใช่บารมีของพ่อองค์ใช่ไหมนะแต่ต่อไปวันพ่อไม่ใช่ห้าธันวาแล้วนะนะส่วนจะเป็นวันไหนพ่อคูก็ยังไม่รู้ทีนี้สมมติทางโลกก็ต้องสมมุติไงเมื่อเปลี่ยนแปลงแผ่นดินเห็นไหมเขาก็อัญเชิญ ตอนนี้เราก็ไม่รู้นะคุณครูนะพระฉายลักษณ์ในหลวงของเราที่อยู่หน้าถอดทธงชาตินี่เราจะทํำยังไงต้องรีบหาข้อมูลนะ pues เห็นไหมก็ต้องเปลี่ยน<ม>นะพเพราะครูไม่รู้ว่าอะไรเปลี่ยนแต่ว่าศูนย์รวมพระราชดำหลัดในศูนย์พระลานคอยนี่ไม่มีวันเปลี่ยนนะแล้วห้องนี้เกิดขึ้นมาใหม่ห้าทันวานี้เนี่ยก็ไม่มีวันเปลี่ยนเป็นห้องประวัติศาสตร์ราชการที่เก้า นะพระองค์ยังอยู่ในดวงใจเราตลอดเพียงแต่ว่าท่านแง่สังคมแล้วเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนไปตามสมบติบัญญัติตรงนั้นนะแต่สําหรับพระครูแล้วเนี่ยในหลวงองค์ปัจจุบันเนี่ยพระครูต้องบอกว่าเราต้องเฉลิมฉลองในความสําเร็จของพระองค์พวกงานศพที่ศูนย์นี่หลายครั้งแนละพระครูบอกว่าความตายเป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความสูญเสียนะคนจีนเรียกว่ากั้วเซิงคือเปลี่ยนร่าง เปลี่ยนจากล่างหนึ่งไปสู่อีกล่างหนึ่งแต่ถ้าควรเปลี่ยนล่างหนึ่งจากเป็นมนุษย์แล้วเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเปดสุลกายอันนั้นต้องแสดงความเสียใจนะแต่จิตวิญญาณที่เปลี่ยนล่างซึ่งก้าวไปข้างหน้าแล้วเนี่ยแล้วไม่มีเหตุผลต้องมาเสียใจต้องเฉลิมฉลองในความสําเร็จของท่านนะต้องเข้าใจคนรักกันเสียชีวิตพุกก็นั่งร้องไห้ร้องไห้ถามว่าร้องทําไมร้องให้ท่านตื่นขึ้ น, นมาเหรอ สว่างงานศพกาลังทำพิธีงานศพฝาลงเปิดขึ้นลุกขึ้นมาเนี่ยอย่าวิ่งหนีนะ <c oughs> ก็ร้องไห้เสียใจเขาก็กลับมาแล้วไง <c oughs> ทำไมวิ่งกันแว่นเลยะนะนะไม่ต้องร้องไห้ความตายไม่ใช่ความสูญเสียเป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนร่างคือกั่วเซิงจีนแจ้จิ๋วบอกกวยสิงนะกั่วเซิงคือเปลี่ยนร่าง ถ้าเราไม่ฝึกจิตเนี่ยว่เราสูญเสียสิ่งที่เราลักปุ๊บเนี่ยเราจะเสียใจนะก็ในหลวงราชการที่เก้าเราเนี่ยเพราะกูยังยังยังไม่ไปเจาะลึกเป็นพระราชดำรัสครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะที่ปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์เตือนเราบอกว่าชีวิตเราเนี่ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่ใช่มีสแสวงหาสุขอย่างเดียวนะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่าประมาทเห็นไหมลงท้ายที่อย่าประมาท พระพุทธเจ้าก็ลงท้ายที่อย่าประมาทนะวันนี้เนื่องจากวันพ่อพ่อครูก็ใช้โอกาสนะใช้พระราชำดำรัสสุดท้ายของในหลวงที่เตือนเราว่าอย่าประมาทแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตัดครั้งสุดท้ายเหมือนกันว่าอย่าประมาทจงใช้คํานี้เตือนสติตัวเองทําอะไรสุขุมรอบคอบอย่าใช้ชีวิตแบบโลดโผนเกินไปชีวิตเรายังมีความหมายนะ เราต้องรักษาชีวิตนี้ไว้นะร่างกายจิตใจร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องมือเดินทางของจิตต้องดูแลเขาอย่าไปทำลายเขานะเอออย่าไปเบียดเบียนเขานะถ้าไม่อยากไปหาหมอเนี่ยก็ทำให้ตัวเองแข็งแรงนะเอออย่าให้หมอฆ่าคุณนะทุกวันนี้เราไม่มีทางเลือกเจ็บป่วยปุ๊บก็หาหมอหาหมอนะ หมอไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะหมอก็เป็นคนดีคนหนึ่งแต่ระบบการรักษาสุขภาพทุกวันนี้มันเป็นธุรกิจนะต้องระวังนะบางทีหวังดีประสงค์ลายมีอะไรก็กินยากินยาีอะไรก็หาหมอหาหมอนะก็วันเฉลิมมันก็เกี่ยวกับเรื่องท่านในทางโลกบอกวันเกิดคนเรามีวันเกิดวันตายวันเกิดกับวันตายนี้ มันต่างกันกี่ปีกี่ปีกี่ปีปีนี้คืออะไรวันเดือนปีนะกี่นาทีกี่ชั่วโมงมันเป็นเรื่องของเวลามันเป็นเรื่องของเวลาชีวิตคือเวลานะชีวิตคือเวลาใครมีเวลาให้กับตัวเองมากที่สุดคนนั้นรวยที่สุดทุกวันนี้เรารวยเงินแต่เราจนชีวิตไม่มีเวลาไม่มีเวลานะถือว่าตอนนี้อาศัยบุญบา ร, รมีเอ่อ เพราะบรารมีของในหลวงเราทุกคนมีไม่มีก็ต้องมีเห็นไหมเราวางทุกอย่างเนี่ยมาปฏิบัติธรรมนะเรามีเวลาละมีเวลามาสร้างอริยทรัพย์ให้กับตัวเองตอนนี้เราเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีตัวจริงเรามีเศษส่วนเกินเพื่อจะสร้างบรารมีบางคนรวยเงินรวยเยอะปุ๊บไม่มีเวลาไม่มีเวลาอันนี้เขาเรียกว่าคนรวยไม่ใช่เศรษฐีนะรวยเงินแต่จนชีวิตไม่มีเวลา นะตอนนี้ถือว่าพวกเราเป็นเศรษฐีตัวจริงอย่างน้อยๆก็เหลือเวลาอาทิตย์หนึ่งหรือบางคนจะยาวเนี่ยศูนย์ไม่ได้ลังเกียดนะนะยินดีเลยนะนะถ้าพ่อ ก, กูยังอยู่เนี่ยพ่อคูจะเผาให้อย่าห่วงนะที่นี่เผางานศพที่นี่สนุกมากไม่มีใครร้องไห้นะนะนั่นะนะอยู่ที่ว่าเราจะทำได้แค่ไหนกนะ็ก็ ส่วนที่เป็นบุญก็มีแล้วแต่ระวังอย่าประมาทไอ้ส่วนที่เป็นบาปมันจะแปลงร่างในรูปของละของมารต่างๆเนี่ยมาขวางกั้นทางเดินเราเดี๋ยวคุณไม่ชี้บทใหม่เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยววันสองวันนี่ยอ้เบื่อจังเลยเอ้ยวุ่นวายจังเลยอุ้ยร้อนจังเลยอุ้ยหนาวจังเลยมันจะมีข้ออ้างเนอร้อนนักก็มักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่าเงียบนักก็มักอ้างว่า เสียงดังนักก็มาอ้างว่ากิเลสเป็นอ้างอยู่แล้วมันคือมานขวางกั้นทางเดินของจิตเรานะให้ทุกคนสำรวมระวังนะพอเกิดอารมณ์นี้ปุ๊บเห็นมันรู้เท่าทันมันอย่าไปเป็นมันนะอารมณ์ต่างๆมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นจำคำนี้ไว้นะอารมณ์มันเกิดขึ้นจากกิเลสเราไม่มีข้ออ้างนั้านั้นแหละนะ เออเป็นเพราะเธอทําเสียงดังฉันตลยนอนไม่หลับนะมันไม่ใช่เป็นเพราะเขาเสียงดังนะเป็นเพราะเราเองโง่อเองเอาเสียงของเขาเนี่ยไม่ให้ในัยยะไม่ให้ความสําคัญของมันนะได้ยินปุ๊กก็เอามาคิดเองเห็นไหมเป็นเพราะเราโง่อเองนะไม่ต้องไปว่าคนอื่นนะก็นี่แหละอา น, นิสงส์ของการบวชอย่างน้นอยๆเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะพ่อครูก็ให้กําลังใจกันนะก็ วันพ่อปีนี้มันอาจจะมีวันพ่อต่อไปล่ะแต่คงไม่ใช่ห้าทันวาแต่ห้าทันวาเนี่ยก็ถือว่าเป็นห้าทันวาสุดท้ายเนี่ยพ่อครูก็ขอละตนาบุญบสีละธนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทอ